Book 2 86ดสิบหคำถามอดีตการสอง spørgsmål dattid คุณผ <K un> ูกเน็คไทเส้นไหน h i l k e slips har du hafp på คุณซื้อรถคันไหนแล้ววิลกินปีล่ะฮัตคริต์คุณได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับไหนวิลกินเอวิสฮัตูฮาฟ์อะบอนมังพูงคุณได้เห็นใครเวมฮัตูเซตคุณได้พบใครเวมฮัตตูมูต คุณได้เจอใครที่รู้จักเต็มฮาดูเกนเค้นคุณตื่นนอนกี่โมงนนดดคุณเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่นหนคุณเสร็จตั้งแต่เมื่อไหร่นหนดดทำไมคุณถึงตื่นนอน ทำไมคุณถึงเป็นครูว่าาไทำไมคุณถึงนั่งรถแท็กซี่วไรคุณนั่งรถทกซีคุณมาจากที่ไหน er คุณไปไหนมาคุณไปไหนมา คุณไปอยู่ที่ไหนมา <are> คุณไปช่วยใครมา <are> คุณเขียนถึงใครคุณตอบใคร